แนะนำบทอัลฮัจบทอัลฮัจเป็นบทมารนิยะมี24องค์การแก่นหลักของบทนี้คือการกล่าวถึงสงครามบ An ันีอันนาดีซึ่งเป็นตระกูลหนึ่งของชาวยิวที่ผิดสัญญากับท่านรอซูลสลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมท่านจึงขับไล่พวกเขาให้ออกจากนครบาดีนะดังนั้นอิบนูอับบาสจึงเรียกบทนี้ว่าบท บานีอันนาเดธในบทนี้ได้กล่าวถึงพวกมุนาฟิกีนที่ทำสัญญาเป็นพัธมิตรกับพวกยิวโดยสรุปแล้วคือเป็นบทที่พูดเกี่ยวกับสงครามการศิละและทรัพย์สินเฉลิมบทนี้ได้เริ่มโดยการให้ความบริสุทธิ์แด่ลอและแร้สองสรดุดีพรง่งจากวานที่ประกอบด้วยมนุษย์สัตว์พืชพันและวัตถุต่างก็ยืนยันให้ความเป็นเอกภาพแดล่ลอเดชานุภาพของโปร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 บทนี้ได้กล่าวสรรเสริญถึงบรรดาสาวกของท่านรอซูลสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมโดยได้กล่าวถึงชื่อเสียงเ ก, กียรติยศของบรรดาชาวมูฮัยยุรีนและความงีงามของบรรดาชาวอันซอรเมื่อกล่าวถึงชาวมูฮัยยุรีนและชาวอันซอรบทนี้ก็ได้กล่าวถึงพวกมูนาฟิกีนซึ่งพวกเขาได้ทําสัญญาเป็นพันธมิตรกับชาวยิวเป็นปฏิ ป, ปักษ์ต่ออิสลาม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 هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم ل أول الحشر ما ظنتم ن أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم ح ص و ن ه م من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا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 และด้วยน้ำมือของบัญดาผู้ศัทธาดังนั้นพวกเจ้าจงยึดถือเป็นบทเรียนเถิดโอ้ผู้มีสติปัญญาทั้งหลายและหากไม่ใช่เพราะอัลลอได้ทรงกำหนดการในประเทศแก่พวกเขาแล้วแน่นอนพระองจะทรงลงโทษพวกเขาในโลกนี้ และสำหรับพวกเขาในปรโลกนั้นก็คือการลงโทษแห่งนรกทั้งนี้ก็เพราะว่าพวกเขาต่อต้านอัลลอ์และรอสูลของเขาและผู้ใดต่อต้านอลัลลอถ์แท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงลงโทษอย่างรุนแรง า ين ين การที่พวกเจ้าโค่นต้นอินทพลันหรือปล่อยให้มันยืนไว้บนรากฐานของมันนั้นนั่นก็เนื่องด้วยอนุมัติของอัลลอฮ์และเพื่อที่พระองค์จะทำให้บรรดาผู้ฝ่าฝืนได้รับความอับอาย الله على رسوله منهم فما أوجدتم فما أوجدتم عليه من قيل ولا ركاب ولكن الله ي س ل ُ رسلا ولكن الله يسلك ر س ل ُ على م ن يشاء والله على كل شيء قدير และสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงให้ศาสนาทูตของพระองค์ยึดมาได้จากพวกเขาคือพวกชาวยิวพวกเจ้าไม่ได้เหน็ดเหนื่อยด้วยการขี่ม้าหรือขี่อูดออกไปแต่เราทรงให้บรรดาศาสนาทูตของพระองค์มีอำนาจเหนือผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์แล้วร้อนนั้นเป็นผู้ทรงอนุภาพ ما أفا الله على رسوله من أهل القراف لله وللرسول ولذ القبّة ولذ القبّة واليتامى والمساكين وذن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. ا آ ا د د และสิ่งใดที่พระองค์ทรงให้าศาสนาทูตของพระองค์ยึดมาได้จากชาวเมืองที่ปฏิเสธศรัทธามันก็เป็นสิทธิของอัลลอฮ์และาศาสนาทูตและญาติสนิทและเด็กกำพร้าและผู้ขัดสนและผู้เดินทาง เพื่อมันจะมิดได้หมุนเวียนอยู่ในระหว่างผู้ ม, มั่งมีของพวกเจ้าเท่านั้นและอันใดที่เราซูลได้นํามาอย่างพวกเจ้าก็จงยึดเอาไว้และอันใดที่ท่านได้ห้ามพวกเจ้าพวกเจ้าก็จงละเว้นเสียพวกเจ้าจงย้ำเกรงอัลลอฮ์เถิดแพ้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงลงโทษอย่างรุนแรง ลล ah. ah um สิ่งที่ยดมาได้จากชาวยิวเป็นของบรรดาผู้อพยพที่ขัดสน ซึ่งถูกขับไล่ออกจากบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเขาและทอดทิ้งทรัพย์สินของพวกเขาเพื่อแสวงหาความโปรดปรานจากอัลลอ์และความพอพระทัยของพระองค์และพวกเขาจะช่วยเหลืออัลลอ์และรอซูลของพระองค์ชนเหล่านั้นคือผู้ที่พูดจริง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 โดยพวกเขากล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของเราได้โปรดอภัยโทษให้แก่เราและพี่น้องของเราผู้ซึ่งได้สัทกาก่อนหน้าเราและขอพระองค์อย่าได้มีการเครียดแค้นเกิดขึ้นในหัวใจของเราต่อบรรดาผู้ศรัทธาโอ้พระผู้อภิบาลของเราแท้จริงพระองค์ท่านเป็นผู้ทรงเอ็นดูผู้ทรงเมตตาเสมอ ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب ل ئ ن أخرجتم لا نخرج من معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم و ل َ نصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. جاء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 ล่า أ นอัพร خرجونمعهم خر و ل ن ق ُ ت ل و ا لا ي ن ص ُ ر و ن, ن ر ه م ولإن ول ن, ن ص َ ر ُ و ه م ل ي ُ و ل ن َ ا ل أ َ ج ب ا ر َ ولإن ن ص َ ر ُ و ه م ل ي و ل ن َ ا ل أ َ ج ب ا َ ث ُ م َ لا ي ن ص ر َ ر و ن หาพวกเขาถูกขับไล่ออกไปบรรดาผู้กลับกรอกเหล่านั้นก็จะไม่ออกไปพร้อมกับพวกเขา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 พวกเจ้านั้นเป็นที่หวาดกลัวอยู่ในสวงอกของพวกเขายิ่งกว่าที่พวกเขามีต่อหรอกทางหนี้ก็เพราะว่าพวกเขาเป็นกลุ่มชนที่ไม่เข้าใจ นพวกเขาทั้งหมดจะไม่ต่อสู้กับพวกเจ้าเว้นแต่ในตําบลที่มีป้อมประการหรือจากเบื้องหลังของกาแพงการเป็นศัตรูระหว่างพวกเขากระเลงนั้นรุนแรงยิ่งนักเจ้าเข้าใจว่าพวกเขารวมกันเป็นปึกแผน่นแต่ความจริงแล้วจิตใจของพวกเขาแตกแยกกันทั้งนี้ก็เพราะว่าพวกเขาเป็นกลุ่มชนที่ไม่ใช้สติปัญญาไข้ขวด ลลบบสภาพของพวกเขาดังอุปมาิสภาพของบรรดาชาวอยู่ก่อนหน้าพวกเขาเพียงเล็กน้อยซึ่งพวกเขาได้ลิ้มรสผลร้ายแห่งการงานของพวกเขาและการลงโทษอันเจ็บปวดจะประสบแก่พวกเขา อุปมาอย่ังของซาตานเมื่อมันกล่าวแ่มนุษย์ว่าจงปฏิเสธศรัทธาเถิดครั้นเมื่อเขาได้ปฏิเสธศรัทธาแล้วมันก็กล่าวว่าแท้จริงฉันขอปลีกตัวออกจากเจ้าแท้จริงฉันกลัวอัลลอฮพระผู้อวิบาล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 หากเราประทานอัลกุรอานนี้ลงมาบนภูเขาลูกหนึ่งแน่นอนเจ้าจะเห็นมันนอบน้อมแตกออกเป็นเสียงเสียงเนื่องจากความกลัวล้อ อุปมาเหล่านี้เราได้ยกมันมาเปรียบเทียบสำหรับมนุษย์เพื่อพวกเขาจะได้พิจารณา่ายกวดพระองค์คืออัลลอฮซึ่งไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ผู้ทรงรอบรู้สิ่งเร้นลับและสิ่งเปิดเผยพระองค์คือผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار ا ل م ت ك ب ّ ر سبحان الله عما ي ش ر ك و ن พระองคือ الله สุดมีมีพระเจ้าอด้นอกจากพระองผู้ส่งอำนาสูงสุดผู้ทรงบริสุทธ์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 พระองค์ืออัลลอฮ์ผู้ทรงสร้างผู้ทรงบังเกิดผู้ทรงทำให้เป็นรูปร่างสำหรับพระองค์มีพระนามันสวยงามสิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินต่างแท้ซ้องสะดุดีพระองค์และพระองค์เป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปรีชาญาณ